ถ้าท่านต้องการลดน้ำหนักท่านจะต้องทำอย่างไรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปะทมายาเมเทศนารายการธรรมะที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจิตใจเพื่อความสงบก่อนเข้านอนกับอภิชาโตพิคุการลดน้ำหนักเนี่ยมันก็เทียบเคียงได้กับการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะกันที่ว่า เราจะต้องการลดน้ำหนักเนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปมันก็เป็นการงานภายนอกใช่ไส่วนการงานภายในมันก็เป็นการงานทางด้านจิตใจเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องไขมันความดันเหล่านี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยนอกจากจะไปปรึกษาหมอหมอให้ยาแล้วเนี่ยสิ่งที่หมอต้องการมากกว่าการให้ยาเนี่ยก็คือ การให้เราดูแลตัวเองการให้เราออกกำลังกายเพื่อที่จะปรับสภาพร่างกายให้มันเข้าสู่ภาวะปกติใช่ไหมอันนี้คือเป้าหมายเลยที่หมอเนี่ยอยากให้คนไข้ดูแลตัวเองเพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาหาหมออีกให้คนไข้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงพอที่จะป้องกันโรคที่มันจะตามมา ไม่ว่าจะเป็นจากการกินสภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาอย่างเช่นน้ำหนักมากมีไขมันมากต้องการที่จะลดน้ำหนักต้องการที่จะลดความอ้วนอย่างเงี้ยแน่นอนเลยเขาต้องปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเพื่อที่จะไปบรรลุเป้าหมายคือการที่จะมีไขมันที่ลดลงมีน้าตาลที่ลดลง มีกล้ามเนื้อมากขึ้นเหล่านี้นะก็ต้องทำหลายอย่างอย่างเช่นการที่เรากินอาหารมากในแต่ละมือ้อเราก็ต้องแบบว่าลดลงใช่ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแหละที่เราก็รู้ดีอยู่นะแต่ทำไมบางทีบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอะแต่ก็เวลาทำจริงมันก็ทำยากใช่ไหมอย่างคนที่ ชอบการกินอย่างเงี้ยเขาก็ต้องต้องลดการกินของเขาลงอย่างถ้ากินพวกแป้งพวกไขมันมากเงี้ยเราก็ต้องลดปริมาณแป้งลงลดปริมาณไขมันลงอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่ไม่กินเลยนะก็กินแต่กินให้มันพอดีอะ่ะกินให้มันพอดีกับการที่เราจะปรับสภาพร่างกายของเราให้มันดีขึ้น ที่พูดมานี่ไม่ใช่จะมาสอนลดความอ้วนนะไม่ใช่นะแต่ก็จะเทียบเคียงนั่นแหละว่าเวลาที่เราป่วยเป็นโรคอ้วนอย่างนี้ความอ้วนมันเป็นโรคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะร่างกายมันก็ป่วยได้ใช่ไหมใจเราเนี่ยมันก็เป็นโรคได้เหมือนกันเป็นโรคเครียดเป็นโรคเศร้าเป็นโรค ร้อนร้อนจากอะไรร้อนจากโทสะความโกรธอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นโรคหิวก็มีหิวก็คือทาให้ใจนั้มันอยากในอารมณ์ตลอดแล้วก็เป็นโรคแบบมึนๆซึมๆหลักๆมันก็จะมีอยู่สามอาการนี่แหละเป็นโรคร้อนเป็นโรคมึนเป็นโรคอยากซึ่งใจคนเราเนี่ยมันก็เป็นโรคได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่า โรคของใจเนี่ยมันไม่เหมือนร่างกายไงร่างกายมันมาจากสารเคมีในร่างกายมันไม่ปกติมาจากเชื้อโรคต่างๆที่มันเข้าไปในร่างกายทําให้ร่างกายของเราเนี่ยฟังก์ชันมันผิดปกติไปอย่างนี้เป็นต้นนะพอมาเทียบเคียงเป็นโรคทางใจเนี่ยใจเราก็มีเชื้อโรคอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เรียกมันเชื้อโรคแค่นั้นเอง แต่เชื้อโรคทางใจเนี่ยเราก็จะใช้ศัพท์คำว่ากิเลสไงท่านผู้ฟังซึ่งเชื้อของมันเนี่ยก็มีหลักๆเนี่ยเป็นสามตระกูลก็คือโมหะคือมึนๆไม่รู้เรื่องไม่รู้จริงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็โลภะก็คือทำให้ใจมันอยากหิวอยู่ตลอดหิวในอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็โรคโทสะ ก็คือทำให้ใจนี่มันเร่าร้อนเดือดดานซึ่งไม่ต้องพูดเยอะหรอกท่านฟังก็รู้จักสภาวะแบบนี้ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใจที่มันเร่าร้อนเวลาที่เราโกรธไม่ว่าเป็นใจที่มันหิวหิวอยากได้อยากนั่นอยากดีอยากมีอยากเป็นจนเกินความพอดีที่มันทำร้ายจิตใจกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มีอย่างเช่นเหมือนตอนที่เรา เกิดไปรักใครสักคนหนึ่งคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยมันก็มาจากอำนาจของความอยากได้อยู่ในใจของเราอยากได้ความรักจากเขาอยากได้ยินเสียงของเขาอยากได้เห็นหน้าของเขาอย่างนี้นะนี่แหละพิษของความหิวจำไฟังแต่ตัวความมึนซึมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันมันจะเห็นยากนิดหนึ่งแต่ความมึนซึมมึนม น, มนไม่รู้จริง อะไรอย่างเี้ยมันก็เป็นพื้นฐานนี่แหละพื้นฐานของอความอยากแล้วก็ความโกรธความขัดเคืองความที่เป็นเป็นโทสะอยู่ในใจมันก็มาจากพื้นฐานของความไม่รู้จริงนี่แหละเอายกตัวอยา่างอย่างเช่นการที่เราอยากได้แล้วมันจำเป็นไมมที่จะต้องไดง้ถ้าเราแก้ใจกันอย่างนี้นะซึ่งถ้าเราตอบได้แล้วเอมันก็ไม่จาเป็นนี่ ไม่ต้องได้ไม่ต้องเอามาไว้ก็ได้นี่มันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรไม่ได้มีสาระอะไรที่เราจะต้องเหมือนอย่างติต่างนะอย่างสมมติเราสะสมพวกหุนฟิกเกอร์อะไรเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะสะสมสแตมหรือบางคนก็อาจจะสะสมหนังสืออย่างนี้เป็นต้นซึ่งบางทีเราก็เห็นเป็นคอลเลคชันนี่แหละที่เราอยากจะเก็บเอาไว้ไปเจอล้วก็อยากจะได้ให้มันครบเซ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งถามว่าถ้ามันครบเซตแล้วเป็นยังไงถ้ามันไม่ครบเซตแล้วเป็นยังไงมันก็ไม่มีสาระอะไรจริงจๆจังนะฟังเนี่ยแล้วทำไมเราถึงเอาจริงเอาจังเป็นจริงเป็นจังกับมันก็เพราะการที่เราไม่เท่าทันการที่เราไม่รู้ไม่รู้ตามความเป็นจริงน่แหละว่ามันก็ไม่ได้มีสาระแก่็สารจริงๆรงจังนะ ไอการที่เราอยากจะได้ครบเซตหรืออะไรพวกนี้มันเป็นการปั้นแต่งของของความอยากในใจของเราไปที่เราทําไปก็เพราะเราไม่รู้นี่ว่ามันมีสาระหรือไม่มีสาระเพราะฉะนั้นไออำนาจโมหะมืนๆืนพวกนี้ทําให้ใจเราถึงจะมันไม่ร้อนถึงมันจะไม่หิวแต่มันก็มื น, ม, นมืนและทําให้ใจเราเนี่ยมันไม่ฉลาดไม่ฉลาดที่จะมองทะลุเข้าไปให้เห็นถึงความเป็นจริงทั้งฝั่ง ทีนี้ย้อนกลับมาตรงถึงตรงที่ว่าเวลาคนเราเนี่ยถ้าอาอยุตัวอย่างคนที่ต้องการลดความอ้วนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องดีเลยที่ไม่ต้องพึ่งยาด้วยก็คือการออกกําลังกายใช่ไหมท่านฟังแต่โดยปกติแล้วคนที่ลดความอ้วนเนี่ยสัด ส, ส่วนของคนที่ประสบความสําเร็จกับไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเราว่ามันก็คงจะที่ไม่ประสบความสําเร็จก็เยอะนะไม่ใช่ว่า ต้องคนต้องการลดความอ้วนแล้วมันจะลดความอ้วนในทุกคนไม่ใช่ทีนี้มาดูก่อนว่าอะไรที่ทำให้คนที่ต้องการลดความอ้วนเนี่ยลดความอ้วนไม่ได้ตาฝ่งก็คงจะตอบได้แหลกก็กินเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็ออกกำลังกายก็ออกกำลังกายบ้างบ้า ง, างแล้วก็แล้วก็หยุดพอหยุดเสร็จแล้วก็ออกกำลังกายนิดหน่นนอยน่อส่วนมากจะหยุดสัมาก แล้วก็ยังตามใจเรื่องการกินเหมือนเดิมไม่ได้ลดปริมาณการกินไม่ได้ควบคุมชนิดของอาหารให้มันพอเหมาะพอดีกับการที่เราจะลดน้ำหนักก็คือขาเข้าเราก็ต้องเข้าให้มันน้อยขาออกคือการใช้พลังงานเราก็ต้องทำให้มันมากกว่าขาเข้าเพื่อที่จะได้ไปดึงพลังงานของเก่าไปดึงไขมันไปดึง น้ำตาลในเลือดออกมาใช้คือเบิรนไขมันออกไปสร้างกล้ามเนื้อให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะได้มีเตาเผาเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อมันก็คือเตาเผาพลังงานเรานี่แหละท่านผู้ฟังถ้ายิ่งเรามีกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยอัตราการใช้พลังงานมันก็ยิ่งมากเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราก็ต้องมาเพิ่มเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อให้มันมากขึ้นด้วยก็คือทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้น มีกล้ามเนื้อมัดใหม่ๆเพิ่มที่มันมากขึ้นเพื่อที่จะได้ใช้พลังงานได้มากขึ้นต่อ1นึ่งหน่วยเวลาซึ่งการที่เราทาให้สาเร็จเนี่ยก็คือมีไม่กี่อย่างหรอกก็คือกินนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือใช้พลังงานน้อยกว่าที่ที่ควรจะต้องใช้เพื่อที่จะลดความปวนแต่การที่เราจะใช้พลังงานเนี่ย โดยกิจวัตรประจำวันที่เรามีอยู่เนี่ยแบบเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้พลังงานละไม่งั้นเราจะอ้วนเหรอท่านผู้ฟังซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องปรับเปลี่ยน่ะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เวลาที่เราจะต้องเอาไปใช้เพื่อที่จะใช้พลังงานมากขึ้นคื อ, คอาการออกกาลังกายนี่แหละให้มันมีสัด ส, ส่วนในชีวิตประจาวันที่มันเพิ่มขึ้นนะ อย่างตอนเย็นเนี่ยเราก็อย่าไปทานาหารเยอะหรือไม่ก็ต้องแบ่งเวลาท่านฟังเย็นแล้วตอนเย็นเลิกทํางานก็ต้องไปอกอกกำลังกายไม่ใช่ว่ากลับบ้านแล้วก็ดูทีวีในแบบเดิมเดิมนอนดูทีวีแล้วก็ไม่วายซ้ําแล้วก็กินโน่นกินนี่กินขนมจุบจิบระหว่างดูทีวีไปด้วยอย่างนี้เราก็ต้องปรับเอาพฤติกรรมเหล่านั้นออกไปใช่ไหม เราก็ใช้เวลาในแบบใหม่ไปออกกําลังไปวิ่งหรือไม่ก็ไปเล่นกีฬาอย่างนี้ซึ่งบางคนก็หาเวลาไปฟิตเนสพอเราสรรหาเวลาได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าสุขภาพเราเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมีการใช้พลังงานมากขึ้นผ่านไปเดือน2เดือนเนี่ยน้ำหนักเราก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้ถ้ามาเทียบเคียงกับ การที่เรามารักษาโรคของใจก็อย่างที่ว่าไปโรคของใจเนี่ยมันก็มีโรคของโลภะโทสะโมหะใช่ไหมแล้วอะไรที่มันจะแก้กันได้พื้นฐานก็คือเราก็ต้องมีสติที่จะเท่าทันโลภะโทสะโมหะนั่นแหละเพราะสิ่งที่เราจะต้องฝึก ต้องเพิ่มขึ้นในสัดส่วนของชีวิตก็คือสัมมาสติท่อไปฝากเราก็ต้องมีการเพิ่มสัดส่วนเวลาให้กับสัมมาสติให้มากขึ้นให้สัดส่วนของสัมมาสตินในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นไม่ปล่อยให้สติสของเราเนี่ยเป็นไปในแบบเดิมเป็นไปในแบบที่มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นไปในแบบที่มี ความกำลัดยินดีมีความเพลินในการมาสุขอย่างนี้พอเราเห็นว่าเรามีความสุขในกามมีความเพลินในกามในกามนี่ไม่ใช่หมายถึงเรื่องทางเพศนะท่านฟังก็คือเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอเรามีความเพลินมีความยินดีความสุขในกามเนี่ยเราก็อยปล่อยให้มันดําเนินไปนาน เราก็พยายามที่จะให้สัมมาสติเนี่ยมันเกิดขึ้นมาขั้นระหว่างไว้เพราะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยบางคนก็จะถามว่อาอ้าวแล้วเราจะทำยังไงอ่มันก็ต้องมีเครื่องฝึกไงมีเครื่องฝึกมีตัวฝึกทังฝั่ ง, งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้เครื่องฝึกของเราไว้เนี่ยต้องหลายอย่างแต่ที่ผู้พูดเองเนี่ยนำเสนอมาตลอดก็คือดูลมหายใจหนึ่งแหละ หรือไม่เราก็บริการพุทธโธแหละหรือไม่เราจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนี้ก็ไม่ว่ากันทําได้ทั้งนั้นแหละมันเป็นเครื่องมือที่เราจะสร้างสัมมาสติให้มันเกิดขึ้นแต่การที่เราจะสร้างสัมมาสติให้มันเกิดขึ้นมีสัสดส่วนที่มันเกิดขึ้นได้อยู่เพิ่มขึ้นแน่นอนเลยมันก็เทียบเคียงได้กับคนที่ลดความอ้วนแหละ คือเราจะต้องสรรหาเวลาแต่อย่างบางช่วงที่มันไม่จำเป็นแล้วเราก็เอาไปใช้ในความเพลินความสุขในกามแบบนี้อันนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องคอยสำรวจในชีวิตของเราแล้วเราก็พยายามหักเอาช่วงนั้นเนี่ยมาทำให้มันเกิดสมาสติให้ได้เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องยึดมันกลับคืนมาให้ฝ่ายธรรมะ ยึดมันมาเป็นฝ่ายที่จะเป็นยารักษาใจให้เรายังไงท่านฟังก็ อ, อย่างเช่นตอนเย็นเนี่ยเราไปออกกำลังกายใช่ไหมเพื่อที่จะลดความอ้วนในขณะที่เราหักพฤติกรรมแบบเก่าก็คือเอาเวลาไปใช้ดูหนังแล้วก็กินไปด้วยหรือไม่ก็เอาไปสังสรรตอนเย็นกินโน่นกินนี่ดีไม่ดีก็โน่นกินเหล้าไปด้วย เราก็หักเวลาเหล่านั้นออกมาเพื่อที่จะเอาไปสนามกีฬาหรือเอาไปฟิตเนสอย่างนี้เพราะเราทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ทำให้งานในภายในเรามันควบคู่กันไปได้ด้วยนะเพราะการที่เราหลีกออกจากงานปาร์ตี้หรือออกจากความสุขในการที่เราจะไปดูหนังฟังเพลงเหล่านี้แล้วเนี่ย มันก็เป็นเครื่องช่วยเครื่องช่วยจากภายนอกด้วยที่เราจะไม่เติมความเพลินในความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ใจมันเพลินไปในความสุขในกามพอมาเป็นอย่างนั้นปึ๊บเนี่ยเราก็มุ่งหน้ากับการงานของเราก็คือการเราจะออกกำลังกายใช่ไหทีนี้เราก็ทำงานในภายในของเราควบคู่ไปได้ด้วยนะ การที่เราจะออกกำลังกายเนี่ยมันก็ต้องมีสมาธิต้องจดจ่อในการงานในการออกท่าออกทางไม่ว่าจะคู่แขนเหยียดแขนเหยียดขาหรือวิ่งหรือเดินอย่างนี้เราก็ทำงานในภายในไปได้ด้วยคือการที่เรามีสติคอยเห็นร่างกายเรามันทำงานตามที่เราสั่งนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเดินซ้ายหรือเดินก้าวขวาเราก็มีสติที่เราจมเพาะหน้า เห็นกายที่มันเดินอยู่ไม่ว่าจะเป็นขาซ้ายก้าวไปขาขวาก้าวไป mm. ก็เห็นมันก้าวไปอย่างนั้นแหละสติเราก็จดจ่ออยู่ที่เฉพาะหน้าแล้วเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกับเราเดินจงกลมนี่นแหละท่านผู้ฟังเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เดินกลับไปกลับมาเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ใช่แบบดูคล่งคล่มอะ เหมือนคนที่กำลังอยู่ในคอร์สปฏิบัติธรรมแต่อันนั้นมันเป็นสนาม้อมนะกันที่เราเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมีการนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเป็นรูปแบบเนี่ยแต่นี้คือในชีวิตรจริงเราติ่ต่างสมมติว่าเราไปเดินบนลู่วิ่งเนียเราก็สามารถที่จะกำหนดดูลมหายใจไปได้ด้วยกำหนดหินกายที่มันกำลังเคลื่อนไหวบนลู่วิ่งไปได้ด้วยแล้วก็ พอเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้ละเลยก็คือเห็นกายมันเคลื่อนไหวมีสติคือความเป็นเราเห็นกายมันเคลื่อนไหวเราก็เห็นความคิดเราก็เห็นกายที่มันเคลื่อนไหวแล้วก็อย่าลืมสังเกตอารมณ์ในใจของเราด้วยอารมณ์ในใจของเราที่อยู่ท่ากลางอกของเราเนี่แหละก็อยากจะย้ำนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ย เราก็อาจจะเห็นว่าความคิดกับอารมณ์เนี่ยมันไปคู่กันแต่จริงๆแล้วมันคนละส่วนกันอารมณ์ในใจก็ส่วนอารมณ์ในใจความคิดก็ส่วนความคิดร่างกายก็ส่วนร่างกายสติที่เห็นก็เป็นตัวเห็นอีกอันหนึ่งตัวรู้อันหนึ่งซึ่งถ้าในขณะที่ท่านฟังเนี่ยกำลังออกกําลังกายอยู่เราก็สามารถที่จะเห็นกายเห็นใจมีสติเห็นกายเห็นใจควบคู่กันไปด้วย เราทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันได้สองต่อเลยท่านผู้ฟังก็คือเราก็ได้ทั้งการงานภายนอกคือการที่เราจะมาดูแลสุขภาพร่างกายอันนี้แล้วก็ได้สุขภาพใจด้วยได้ดูแลรักษาจิตใจไม่ให้ใจของเราเนี่ยไปสุดโต่งก็คือมีความมัวเมาความสุขในการทั้งหลายอย่างนี้สุดโต่งเพราะว่าคนที่ต้องการจะพ้นทุกพระรู้เจ้าก็ตรัสเอาไว้ตั้งแต่การแสดง ทำครั้งแรกแล้วละ่ะว่าส่วนสุดสองทางที่ปนประชิตไม่ควรเสพซึ่งปนประชิตในที่นี้็คือคนที่มุ่งหวังที่จะพ้นทุกข์นั่นแหละท่านฟังไม่ใช่เฉพาะนักบวชนะทางสายแรกก็คือการที่เราไม่ควรไปยุ่งไม่ควรไปแวะด้วยก็คือทางที่มีความมัวเมาความสุขในกามทั้งหลายซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย เราก็ต้องใช้กามอยู่นะก็คือเราต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในการดำรงชีวิตอยู่นี่นแหละแต่โดยปกติคนทั่วไปเราก็จะมีความเพลินมีความยินดีพอมีความเพลินมีความยินดีมีความยึดติดมีความยึดมั่นแล้วก็ถึงขนาดมัวเมาไงท่านฟังมัวเมาว่าต้องเลิดอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ได้อันนี้ก็กินไม่ได้อันด้นไม่ได้อย่างนี้ใส่ไม่ได้ ต้องแบรนด์นี้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อย่างนี้เป็นต้นละ่ะอันนี้คือมัวเมาขั้นเยอะแหละมัวเมาความสุขในกามถึงขั้นที่หลงติดอยู่ในสมมุติที่มันไม่มีแก่นสารแต่ใจเรายึดติดว่ามันมีแก่นสารสาระสําสคัญกับชีวิตของเรามีความผูกติดมีความยึดโยงอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งถ้าใจของเราเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านฟังเรา ไม่สามารถที่จะไปทําที่สุดของความทุกได้เลยพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าไม้สดชุ่มด้วยยางแล้วก็ยังแถมจุ่มน้ำด้วยนะถ้าเราจะเอาไม้ชนิดนี้เนี่ยมาสีไฟให้ไฟมันติดเนี่ยโอ้ทำไม่ได้การที่เป็นไม้สดชุ่มด้วยยางมันก็แย่อยู่แล้วนะอันนี้จุ่มลงไปในน้ำด้วยเปียกเลย เพราะนั้นไม่มีทางที่จะติดไฟได้เพราะนั้นการที่เราจะไปถึงที่สุดของทุกข์ได้เนี่ยเราก็ต้องเห็นโทษของกามไงท่านฟังว่ามันมีมีคุณน้อยมีโทษมากมันทำให้มีความสุขประเดี๋ยวประดาแต่การที่เราไปยึดติดเราจะต้องหามันอยู่ได้บ่อยๆหาได้เราถึงจะมีความสุขถ้ารามีตะ ก, กะอย่างนั้นหาได้จึงมีความสุขหาไม่ได้เราไม่มีความสุขถ้รมีมี พัฒน์เทิรของชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยยังไงก็มีความทุกข์แน่นอนท่านเพื่แต่การถ้าเราไม่ยึดติดอยู่ในแบรนด์ไม่ยึดติดอยู่ในรูปเสีย ง, งกลิ่นกินรสสัมผัสรู้แต่ว่าอะไรควรใช้ใช้เท่าไหร่อันนี้มันก็เปรียบเหมือนกับว่าเราเป็นไม้สดแต่เราไม่ได้จุ่มไม่ได้จุ่มอยู่ในน้ำและเพราะเราเห็นโทษของของของกามละเราก็ใช้แต่พอดีแต่ก็ยังมีความยินดีมีความเยื่อยใย ในกามอยู่นะก็เป็นเป็นยางอ่ะที่มันอยู่ข้างในนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับว่าเราพยายามหลีกออกจากกามแต่ก็ยังมีความเยื่อใหญ่ในกามนะฟังตอนที่เราหลีกออกจากกามแล้วก็คือรู้จักใช้อย่างพอดีไม่มัวเมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนเรายกตัวเองออกจากน้ําแต่การที่เราเห็นโทษแล้วก็พยายามหลีกออกจากกามแล้วแล้วก็ละความเยื่อใยในกามได้ เราก็เหมือนกับไม้ที่มันไม่มียางข้างในนะฟังเพราะเราเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยให้เราปรารบความเพียรมันจึงจะได้ผลดีเพราะฉะนั้นความเห็นที่มันถูกตรงถูกต้องก็จะเป็นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยเราต้องจัดสรรชีวิตของเราเนี่ยแหละให้เรามีคือเรารู้ว่าเราเรามีเป้าหมายอะไรนะ แต่ถ้าเราไม่พยายามสร้างเหตุให้เราไปถึงเป้าหมายเนี่ยอันนี้มันมันไม่ถูกต้องอะ่ะมันยังไงมันก็ไปไม่ถึงเราบอกเราอยากลดความอ้วนเรามีแต่ความอยากแล้วมันจะหายอ้วนน่มันไม่ใช่นะเราบอกเรามีความทุกข์เราอยากจะพ้นทุกข์แต่เราไม่ทำเหตุเลยก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันใน24ชั่วโมงของเราเนี่ยเวลาแพทเทิร์นมันก็เป็นเหมือนเดินมนันแหละตื่นมาไปทางานกินข้าว เลิกงานแล้วก็กลับบ้านพักผ่อนดูหนังฟังเพลงแล้วก็นอนแล้วตื่นมาวันใหม่มันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ไปเรื่อยจนจนเราเปลี่ยนจัดตารางชีวิตของเราใหม่มันถึงจะเกิดอะไรใหม่ๆในชีวิตเกิดผลอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนะี่ยเป็นเป็นนักออกแบบชีวิตของตัวเองรู้จักจัดสรรเวลา ให้กับอาหารใจรู้จักจัดสรรเวลาให้กับจิตใจสร้างเหตุให้เกิดสัมมาสติให้ได้บ่อยๆสร้างเหตุให้เรามีมีใจที่ออกจากกามสร้างเหตุทาให้เราพิจารณาเห็นโทษของกามแล้วเราก็จะมีจิตใจที่เบาสบายมากขึ้นซึ่งวันนี้ก็หมดเวลาแล้วท่านฟังเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาต่อกันใหม่ แต่ก่อนนี้จากกันก็อยากจะฝาก subscribe แล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยได้มารับฟังธรรมะแล้วก็ได้ทำความสงบได้และได้เข้าใจวิธีที่เราจะมาบริหารจัดการความทุกข์มาเพิ่มความสุขในชีวิตวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนจเจริญพร